วันนี้จะอ่านเรื่องของทานนะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ใหม่ที่อาจะยังไม่เคยมาหรือยังไม่ทราบลักษณะของทานของสัตบุุษคนดีกับสัตบุตรคนที่ <c oughs> ไม่ดีนะแล้วก็อา น, นิสงของ <c oughs> การให้ทานที่นอกจากจะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโคะอันใหญ่แล้วเนี่ยยัง พระสัสดายังบอกว่ายังมีอ น, นิสงส์งที่จำแนกไปในด้านอื่นอีกนะหลายอย่างนะ <c oughs> พระสาสดาตรัสว่าอย่างนี้บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัพปุลิสทาน5ประการนี้5ประการเป็นชไหนคืออสัตตาบุษย่อมให้ทานโดยไม่เคารพหนึ่ง ให้โดยไม่อ่อนน้อมหนึ่งไม่ให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของที่เป็นเดนหนึ่งไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัพปุริสทานห้าประการนี้แลนะส่วนทานของคนดีเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัพปุริสทานห้าประการนี้ห้าประการเป็นชไหนสัตต บ, บุรุษย่อมให้ทานโดยเคารพหนึ่งให้โดยอ่อนน้อมหนึ่ง ให้ด้วยมือตอนเองหนึ่งให้ของไม่เป็นเดนหนึ่ง <c oughs> เห็นผลที่จะมาถึงให้หนึ่ง <c oughs> ดูก่อนพิกษุทั้งหลายสัพปริสทานห้าประการนี้แหละ <c oughs> นะที <c oughs> นี้ <c oughs> ก็จะมีอีกแง่มุมหนึ่งคือเรื่องของศรัทธานะถ้าเกิดโยมต้องให้ของที่เป็นเดนทำยังไงนะ <c oughs> ก็คือต้องให้ในลักษณะอีกอย่างหนึ่งพระศาสดาจะบอกเรื่องของการให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราหนีดแต่ถ้าให้ทานโดยเคารพเนี่ยตรงนี้จะได้ผลมากกว่าเกิดพระกำลังบินทบาทมาท่านก็ไม่ได้อาหารเลยโยมมีเอติมอยู่แท่งหนึ่งกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ย จะถวายให้ได้ไมั้ยแต่โยมถวายให้ด้วยความเคารพเนี่ยก็ได้อยู่นะจะมีในครั้งพุทธกาลที่ภิกษุณีบินทะบานไม่ได้แล้วก็สลบเป็นลมล้มพับลงนะอ่าอย่างนี้นั้นก็ให้ท่านได้มีชีวิตต่อก็ยังดีจึงมีพระสูตรที่บอกว่าทานอันเศร้าหมองหรือปราณีก็ตามแต่ถ้าให้ทานโดยเคารพเนี่ยนะอันเนี้ยจะมีผล อีกแง่หนึ่งของสัตบุรุษการให้ทานสัตบุตรย่อมให้ทานด้วยศรัทธาหนึ่งย่อมให้ทานโดยเคารพหนึ่งย่อมให้ทานโดยการอันควรหนึ่งเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานหนึ่งย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นหนึ่ง <c oughs> สัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภค่ามาก และเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผลนี่แสดงถึงว่าผลของการให้ทานเนี่ยส่งผลไปถึงความมีรูปร่างสวยสวยงามผิวพรรณงามด้วยนะ <c oughs> ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคามากและเป็นผู้มีบุตรภรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเนี่ยสดลงสดับคาสั่ง ตั้งใจไข้รู้ในที่ที่ฐานนั้นบังเกิดผลบริษัทบริวารของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังถ้อยคําของเรานี่ก็เป็นอนิสงค์ของทานอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> ครั้นให้ทานโดยการนันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผล นั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมกุลห้าสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผลรั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัปปุริสถาน5ประการนี้แลนั่นแสดงว่าผลของทานเนี่ยยังส่งผลให้ทรัพย์ของเราเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้ด้วยนะ <c oughs> แล้วจิตของเราก็จะน้อมไปสู่กรรมคุณหที่สูงละเอียดปราณีตยิ่งขึ้ น, นข้าพเดีคนให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตาม แต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทําความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้นย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูล น, นั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณให้อย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาทาสคนใช้คนทํางาน ก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังทรงจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุใดทั้ทงนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทําโดยไม่เคารพข้าบาดีบุคคล <c oughs> ให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทําความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆ จิตของผู้ใ <Dec> ห <admission> ้ทานย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุใดทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพนะ อันนี้แง่มุมของการให้ทานโดยปกติพระาศาสดาจะไม่ห้ามผู้อื่นให้ทานบอกผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกคือผู้รับทานและตัวเองก็ขุดลากตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็จะได้อ น, นิสงส์จากตรงนั้นแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ <c oughs> การให้ทานให้กับสัตว์ก็ได้ให้กับคนก็ได้ พระองค์บอกแม้แต่เราเทเศษน้ำล้างหม้อเนี่ยลงในน้ําโสโครกด้วยหวังที่จะให้เสร็จสัตว์เล็กๆได้กินเนี่ยก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญพระองค์บอกฉะไหนเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันนะในกลุ่มของมนุษย์มนุษย์ทุศีลมนุษย์มีศีลมนุษย์เป็นอริบุคคลก็จะได้ในสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นตามลําดับนเหตุที่พระองค์กล่าวเรื่องนี้เป็นเพราะมีคนมาถามพระาศาสดาว่าพระาศาสดาเนี่ย สอนให้คนให้ทานกับลูกศิษย์หรือสาวกของตัวเองเท่านั้นหรือนะอา่าเขาไม่อยากกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคําไม่จริงนะพรูเจ้าก็บอกอ่าที่พูดมานั้นเนี่ยไม่จริงนะในความจริงก็คือเป็นอย่างนี้นะพระองค์ก็บอกตั้งแต่ว่าเทเศษน้ําล้างหม้อลงในน้ําโสโครยังได้บุญเลยนะฉะนไหนจะทํากับมนุษย์ด้วยกันก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นนะ <c oughs> เออ วันนี้มีทั้งทีมเด็กทีมผู้ใหญ่จะมาสัจชยะนะสาธยายธรรมใช่ไหมอ่ า, อาก็ลองเลยไหมดูก็ญาติโยมพร้อมกันพอสมควรแล้วขอโอกาสค่ะอขออนุญาตพระอาจารย์เริ่มกิจกรรมสัจยะพระพุทธวจนะ และขอ iling, ーー inside, อนุญาตให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านขึ้นมานั่งบนพื้นไม้ด้านข้างพระอาจารย์ค่ะเชิญค่ะขอเสริมหน่อยสัจชายะแปลว่าสาธยายการสาธยายหรือที่เราเรียกว่าสวดมนต์นั่นเองการใช้วาจาพูดคําศาสดาขึ้นมานะเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือว่าจะได้ทราบเหตุผลหรือเหตุปัจจัยของการสาธยายหรือสัจชายะ นะนะ่การสัทยายเนี่ยได้ได้ประโยชน์อย่างไรการทรงจำคำสัสดาได้เนี่ยนะ่ะเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12บขั้นตอนคือผู้เจ้าบอกเลยว่า คนที่สอนไม่ได้เนี่ยคือคนที่ไม่มีสัญญาและใจเพระองค์จะสอนได้เฉพาะผู้มีสัญญาและใจสัญญาคือความจาได้หมารู้แต่อย่างน้อยต้องอย่างน้อยได้สักหนึ่งคำหนึ่งบทพรษณะนะไม่จำเป็นจะต้องจำได้เยอะก็ได้แต่ใครจำได้เยอะเนี่ยจะชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมอาวุธไว้มากนะจะมีอาวุธมากในการประหรัสประหารฆ่าศึกนะการรู้ตามสัต <c oughs> สัจธรรม12ขั้นตอนก็คือมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยบสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้เนี่ยมันต้องมีการทรงจําเพื่อที่จะเอาไปไข้ครวนพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ตัวธรรมทั้งหลายเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจะเกิดขึ้นนะผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่เรียกว่าคนคนนั้นเนี่ย กำลังรู้ตามซึ่งสัจธรรมได้แล้วและถ้าเวียนใน12ขั้นตอนนี้ให้มากก็จะเป็นไปเพื่อสัจจานุปัตติบรรลุซึ่งสัจจะบรรลุซึ่งความจริงนะนั้นอันนี้ก็จะให้เราเห็นประโยชน์ของการทรงจำแม้เพียงหนึ่งบทเช่นจำได้คำว่าไม่เที่ยงคำเดียวก็พอแล้วหรือว่าละนันทิคำเดียวหรือว่าสติคาเดียวก็ได้นะหรือว่า นึกถึงลมหายใจไว้เท่านั้นนี่ก็ได้แล้วพระองค์ตรัสว่าถ้าผู้ใดเนี่ยมีความฝังใจอยู่อย่างติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงคําเดียวอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีในปัจจุบันนะอย่างน้อยต้องได้สักคำหนึ่งนะแล้วก็อา น, นิสงส์อีกอย่างของคนที่ทรงจําคําศาสดาได้ อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือจําได้นะคล่องปากด้วยนะขึ้นใจนะนึกเมาานะื่อไหร่เนี่ยปุ๊บเลยนะอ่าแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือไข้ควรนะเช่นโยมท่องสายปฏิจจสุบาทโยมก็ไข้ควรในปฏิจจสุบารเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะมีการเรียกว่าเป็นการแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะอันนิสง์ที่เขาจะได้ <c oughs> จะมีสี่อย่างในสี่อย่างเนี่ย ทุกคนเลยจะขาดสติเวลาตายนะเผลอแต่จะได้ไปเกิดเป็นเทวดานะนั้นบุคคลผู้ขาดสติเวลาตายแต่ตัวเองทรงจำทำวินัยของพระาศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจจะได้หลุดไปเป็นเทวดาในภพของเทวดานั้นเนี่ยเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระาศาสดาได้นะเมื่อเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมพระาศาสดาได้พระองค์บอก แม้สติจะเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนะพวกที่2อละลึกเองไม่ได้แต่ไปได้ยินพวกพิสูผู้มีลิกซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทเขาก็จะบรรลุธรรมพวกที่3ามนะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองเขาก็จะบรรลุธรรมพวกที่4เทพบริษัทผู้เกิดก่อนย่อมเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังนะ ว่าจาได้ไหมนะเคย <c oughs> ไปปฏิบัติธรรมกันสมัยเป็นมนุษย์ที่นั่นที่นี่นะอย่าง่มาวัดนาปรางคงเนี่ยจำได้ไหมเคยฟังธรรมเคยปฏิบัติธรรมเขาระลึกขึ้นได้เขาก็จะบรรลุธรรมอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษสองคนเนี่ยสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยแต่ก่อนเคยเล่นฝุน่นซัดฝุน่นซัดขี่เลนด้วยกันแล้วจากกันไปนานแล้วกลับมาอีกทีก็มาถามเออจาได้ไหมนะสมัยก่อนเคย ซัดฝุ่นด้วยกันนะปาร์คเลนด้วยกันอย่างนี้เข้าระลึกได้นะเพราะฉะนั้นเทวดาผู้เกิดก่อนก็เตือนเทวดาผู้เกิดหลังอาจจาได้ไหมเคยไปปฏิบัติธรรมสมัยเป็นมนุษย์ที่นั่นที่นี่เข้าระลึกขึ้นได้เขาก็จะบรรลุธรรมนี่คือ4ลักษณะ4ประเภทของผู้ที่ได้อ น, นิสงสจากการทรงจําคำสัสจะได้อย่างคล่องปากขึ้นใจนะก็จะได้บรรลุธรรมในภพของเทวดานั้น ก็เลยอาศัยเหตุปัจจัยตรงนี้ให้มีการสัจชายะคือสัทยายคำของพระศาสดาขึ้นมานะเชิญต่อขอบพระคุณค่ะผู้สัตทายะทุกท่านกราพราจาร์พร้อมๆกันค่ะ <c oughs> โอ้เรามีทุกรุ่นเลยเนาะกราบนมัสการพระอาจารย์เครือกริชโสธิพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงสมณะสักยะปุตติยะผู้เป็นพระหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นผู้เอาใจใส่ขยันบอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆทาให้ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดพระัธรรม ให้ตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปและเป็นหนึ่งในรัตนห้าที่หาได้ยากในโลกเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคีที่ป่าอิสิปะตะนัมรคขะไยวันจนพระอัญญาโกนธัญะญได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรยัยโยมและคณะอาสาวัดนาป่าพงได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์คืกฤทิ์สธิพโลให้จัดกิจกรรมสัจชายะพระพุทธวจนะเพื่อเป็นการบูชาพระตถาคตดังพระสูตรโอวาทของพระโคดมเป็นยอดจากพุทธประวัติจากพระโอษณะส้า312ดังนี้พระโคดมผู้เจริญ บรรดาไม้มีรากหอมเขากล่าวว่ากลิณาเป็นยอดบรรดาไม้มีแก่นหอมเขากล่าวว่าจันแดงเป็นยอดบรรดาไม้มีดอกหอมเขากล่าวว่าดอกมะลิเป็นยอดแม้ฉันใดบรรดาปรามัทธธรรมทั้งหลายโอวาทของพระโคดมพ่เจรินย่อมเป็นยอดฉันนั้นแลพระโคดมพุเจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระโคโดมทรงประกาศธรรมเทศนาโดยประยายเป็นอันมากนี้เหมือนงายของที่คว่าอยู่หรือเหมือนเปิดของที่ปกปิดอยู่หรือเหมือนชี้บอกหนทางให้แก่คนหลงทางหรือเหมือนอย่างตามตะเกียงในที่มืดให้คนตาดีได้เห็นรูปฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถือพระโคโดมผู้เจริญจงทรงจำพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าเป็นพุทธบริษัท พูดถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปในโอกาสนี้ขอเชิญคณองสมาคิสนด์ใจผู้ร่วมสัตยาที่อายุมากที่สุดกล่าวคำนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะเชิญค่ะกราวนมัสการท่านอาจารย์คือธิสดทพโลมที่เคารพกระผมในานามของญาติธรรมทั้งสิบอ็ดคนซึ่ง จะสายธยธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้ากราบเรียนญาติธรรมว่าทั้ททงสิบบทั้ง11คนนี้เป็นตัวแทนของท่านทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ที่จะสายแยธรรมหรือกล่าวทาถวายแต雅ธรรมนี้เพื่อน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าเนื่องในวันสำคัญคือวันอาสา ห, าหาักุาบูชาในวันนี้เป็นการจ้างนักที่จะได้มากล่าวคา สาธยายธรรมถวายพระพุทธเจ้าเนื่องจากวันวิสาข์เนื่องจากวันอาสาลหกขาปานั้นในรอบปีมีแค่วันเดียวขอญาติธรรมทุกท่านตรงตั้งใจกล่าวคํานอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยกระผมจะพึงขอขอญาติเป็นคนกล่าวนํานะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพัทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโัสสะวะโตอะห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 โดยในวันแรกนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด11ท่านค่ะและก็ขออนุญาตให้นางสาวอนันตยาทั่งทองเป็นพิธีกรร่วมประกาศรายชื่อผู้ผู้สัจ ช, ชายะคาเชิญคาค่ะท่านแรกค่ะเด็กหญิงพันนิตาทั้งทองหรือน้องน้ำวุญอายุ8ขวบประสูติพบแม่ชั่วขนาดดดนิ้วมื อ, อย่างหน้ารังเกียจค่ะ ภิกษุทั้งหลายพูดแม้ในเดียวก็เป็นขอมีกลิ่นเหมือนฉันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยช่วยล้านนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกับได้ท่านที่สองคะ่ะ <c oughs> เด็กหญิงซูเนจันแก้วหรือน้องใบหม่อนอายุแปดขวบ พระสูตรวาจาที่ไม่มีโทษค่ะที่สูตทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินิจชัยไม่ติดเตียนองค์ห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือ กล่าวและควรเก่เวลากล่าวและตามสัจจริงกล่าวและอย่างอ่อนหวานกล่าวและอย่างประกอบด้วยประโยชน์กล่วาวและด้วยเมตตาจิตพิสูจทั้งหลายวาจะอันประกอบด้วยวห้าประการเหล่านี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและบรรจุชนไม่ติดเตียนท่านที่สค่ะเด็กหญิงศิริลักษณ์มงคลรัตน์หรือน้องโอปออายุสิบขวบพระสูตรพึ่งเห็นว่าชีวิตแสนสั้นค่ะ ภิกษุทั้งหลายฝ่ายภิกษุพวกที่เจอมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉหนอาหารเสร็จเพียงคําเดียวเราพึงใส่ใจถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคําสอนควรทําให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีว่าโอ๋หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง ชั่วขณะหายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทําให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมานาสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริง พิสูจทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจไว้ว่าพวกเราทั้งหลายจากเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จากจเริ่มรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจไว้อย่างนี้แหละขั้นที่สี่ค่ะ เด็กหญิงสุมิตราแสงสายหรือน้องเออายุสิบเอ็ดขวบพระสูตรพิณายกรรมของพระสังคาบิดาค่ะประถมรมหน้าหนึ่งร้อยเก้าค่ะไม่โกหกกันแม้เพียงหัวเราะเล่นลาหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแก้งกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าเป็นเทศก็มีความเป็นสัมมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ ลาหุนเราเก่าว่ากรรมอันเป็นบาปอันหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามิได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักไม่ก่าวมุสาแม้เพียงหัวเราะกันเล่นดังนี้ลาหุนเราทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้ ทนที่ห้าค่ะเด็กชายภูรินช้างเงินหรือน้องโฟกอายุสิบเอ็ดขวบพระสูตรจิตอธิษฐานการงานค่ะจิตอธิษฐานการงานอานุนฐานะที่ตั้งอยู่แห่งอนุสติมีเท่าไรมีห้าอย่างพยาคตะดีละดีละอานุนถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำฐานะที่ตั้งอยู่แห่งอนุสติที่6หนนี้ไว้คือพิสุในกรณีนี้ มิสุในกรณีนี้มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสติสำเร็จในการนอนอยู่มีสติอธิษฐานการงานอา น, นุนี้เป็นฐานะที่ตั้งอยู่แห่งอนุสติเมื่อบุคคลจเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะท่านที่หค่ะ เ็กหญิงปาริชาตช้างเงินหรือน้องเฟิร์นอายุสิองขวบพระสูตรลักษณะการพูดของตถาคตค่ะลักษณะการพูดของตถาคตราชกุมารตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักของผู้อื่นไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการ เพื่อกล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่ปูมใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์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 ท่านที่7ค่ะเด็กชายราชนกสวัสดิ์ปัญญาโชว์หรือน้องบิวอายุสิบสองขวบพระสูตรลักษณะของผู้มีความเพียรตลอดเวลาค่ะพิสูจทั้งหลายเมื่อพิสูจน์กลังเดิน <c oughs> ยืนนั่งนอนอยู่ถ้าเกิดขุนคิดด้วยความขุนคิดในกามหรือขุนคิดด้วยความขุนคิดในทางเดือดแขนหรือขุนคิดด้วยความขุ่นคิดในทางทําผู้อื่นให้ลําบากเปล่าๆขึ้นมา และพีสุก็ไม่รับเอาความพุ่นคิดนั้นไว้สลาดทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพีสูตที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปาลบความเพียรอุทิตนในการเผากิเลสอยู่เรืองนิด น็เปท่านที่แปดค่ะรัศุดีๆทั้งนั้นนะของอรัศุดเรื่องวาจาตถาคตท่องยากหน่อยเนาะเพรกลับไปกลับมานะ <c oughs> จะํายากนิดหนึ่งของน้ําวุ้นก็เป็นรัศุดที่สําคัญนะเรื่องของภพเนี่ยซึ่งภ <c oughs> พก็คือสถานที่เกิดของจิตนะแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดี๋ยวนี้เดีย ก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดอุจละปัสสาว ะ, ะเลือด น, น้ำลายหนองสเลตเปื้อนตัวเรานิดเดียวก็ต้องรีบล้างรีบเช็ดนั้นการที่จิตรับรูวลงขึ้นมาแม้นิดเดียวเนี่ยผู้เจ้าจึงให้ละนันทีให้ไหวที่สุดอย่าไปสนใจเนื้อหาของเรื่องเกิดมาปั๊บเนี่ยรีบวางเลยเกิดมาปั๊บรีบวางเลยเราจะเห็นการเกิดการดับทันที เห็นเกิดเห็นดับก็คือเห็นอริสสัตสีของธรรมธาตุนั้นๆนะก็จะเป็นเหตุให้หลุดพ้นส่วนวาจาไม่มีโทษนะอ่าก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยน่าพึงกระทำกล่าวควรแก่การนะต้องรู้กาลละนะกล่าวตามเป็นจริงนะกล่าวอ่อนหวานนะกล่าวด้วยประโยชน์ กล่าวด้วยเมตตานะใครทำวาจาได้ห้าอย่างอย่างเนี้พระศ า, าสดาบอกว่า <c oughs> ไม่มีผู้รู้ใดๆเนี่ยจะติดเตียนวาจาของคนนั้นได้เลยนะอ่าทีนี้มาฝั่งนี้ค่ะสำหรับท <c oughs> ่านที่แปคะ่ะคุณสามาคมสะอาดใจหรือคุณหนุ่มอายุหกสิบเอ็ดปี้าสูรความดับทุกมีพราะความดับแห่งนันทีคะ่ะคุณนะ รูปที่เห็น ด, ด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้นด้วยลิ้นก็ดีผดสมพระที่สัมผัสด้วยกายก็ดีธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งอยู่แห่งความกำหนัดยอมใจมีอยู่พิสุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่ไม่เมาโมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อพิสุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาโมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทิ ความเพลินย่อมดับไปปุณณนะเรากล่าวว่าความดับไม่มีเหลือแห่งทุกมีได้เพราะความดับไม่เหลือแห่งความเพลินดังนี้แลเอวังอันนี้พระสูตรนี้ก็สําคัญมากนะใช้เป็นหลักในการสอนอยู่นะเรื่องของนันทิความเพลินนะเราจะเห็นว่าถ้าเราคีย์คำว่านันทิเข้าไปเนี่ยพระสูตรจะขึ้นมา เยอะมากห้าหกร้อยก็สุดนั่นก็คือถ้ายมไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เจ้าก็จะสอนเราในเรื่องของการละนันทีคือความเพลินความเพลินในอะไรบ้างเพลินในรูปเพลินในเสียงเพลินในกลิ่นนะเพลินในรสเพลินในสัมผัสทางกายเพลินในการรู้ธรรมอารมณ์ได้ใจเช่นเราคิดเรื่องอะไรเพลินเินไปนี่นะเรียกว่าเพลินละหรือ จิตไปผูกกับอารมณ์นั้นนานๆก็เรียกว่ามีความเปลิองพระศาสดาก็ให้ตัดซะให้ละซะให้ไวยซึ่งแค่การลักความเปลิออย่างเดียวเนี่ยสามารถทําจิตให้หลุดพ้นได้เลยนะเราก็ <c oughs> ใช้การลักความเปลินงเนี่ยซึ่งพระศาสดาสอนมากเนี่ยมาเป็นหลักในการสอนที่นี่นะอ่าเจนด้านต่อท่านี่เกา<ร>้าค่ะคุณนิสนาฏกลิ่นทองคําหรือคุณนิด อายุ35สิบห้าปีค่ะพระสูตรลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ค่ะภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา <c oughs> เธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนี้ด้วยปัญญาโดยชอบ ตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้วงเล็บในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ก็ทรงตัดแบบเดียวกันอย่างรูปมิมีผิดเพี้ยนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ปุปพันตานุทิฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุปพันตานุทิฐิไม่มีอัปรันตานุทิฐิทั้งหลายย่อมไม่มี เมื่ออัปปันตานุทิฏฐิไม่มีความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตจึงจางคายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอสุวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำลงอยู่ เพราะเป็นจิตที่ดำลงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาสดุงเมื่อไม่หวาดสดุงย่อมปรินิพานนั้นเที่ยวเธอทั้งหลายย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ทำได้ทําสาเร็จแล้วกิจอื่นที่ควรทำเพื่อมีความเป็นอย่างนี้นิได้มีอีกดังนี้ พระสูตรนี้ก็จัดว่าเป็นเรียกว่าสุดยอดของพระสูตรอีกอันหนึ่งที่พู้เจ้าเนี่ยไล่ลำดับตั้งแต่การการเห็นขันธ์ห้าว่าเห็นอย่างไรนะก็คือเห็นไม่เที่ยงนะเห็นความดับเห็นความเป็นอนัตตาแล้วจะต้องเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราคือเนตังมะมา เนโซมาส ม, สมินั่นไม่ใช่เป็นเราแล้วก็ณเมโวอตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อมีปัญญาเห็นอย่างนี้ว่าขันห้ากับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันปุพันตานุทิฏฐิคือความเห็นที่ปารลบขันเบื้องต้นนะที่อยากไปรู้อดีตนะกังวลกับอดีตและอัปลันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปารลบขันเบื้องปลายนะกังวลในอนาคตก็จะหมดไปอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันนะว่าจะสามารถละ ปุพันตะทิฏฐิกับอปรันตะทิฏฐิได้นะไม่กังวลอดีตอนาคต <c oughs> อันนี้ <c oughs> เมื่อได้ตรงนี้เสร็จคนนั้นเนี่ยจะละความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้นะละขันธ์ทั้งห้าได้จิตก็จะหลุดพ้นจากอสวะนะและสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะธรรมที่ดำรงอยู่ ก็คือวิมุติยานทัศนะคือนิพพานแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะรู้ว่าชาติคือการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วนะกิจที่ควรทำเนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วนะกิจอื่นนะภารกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้คือความหลุดพ้นเนี่ยไม่มีอีกนะชาติสิ้นแล้วพรมาจรรย์การประพฤติปฏิบัติเนี่ยอยู่จบแล้วนะไม่มีกิจอะไรต้องทำแล้วนะอันนี้ก็คือบรรลุธรรมเป็นพระละหันะในพระสูตรนี้จะ อธิบายเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนจนทั้งหลุดพ้นเลยนะก็เป็นพระสูตรที่สำคัญมากพระสูตรหนึ่งท่านี่สิบค่ะ <c oughs> คุณทัศพรเทพบำรุงหรือคุณตาอายุ44ปีพระสูตรการบูชาตถาคตอย่างสูงสุดค่ะ <c oughs> อานนเธอจองจัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาระคู่มีศีสะทางทิศเหนือเราลำบากกายนักจากนอน ประทับสิงหาสยยาแล้ว <c oughs> มีอัศจรรย์ดอกสาละผิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพราสลีละดอกมันทารบจุนไม้จันดนตรีล้วนแตกของทิพย์ได้ตกลงและบันเลงขึ้นเพื่อบูชาตถาคตเจ้าอาน o น์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อาน o น์ พิสุภิษุนีอุบาสกอุบาสิ ก, กาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะบูชาเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งอานนท์เพราะฉะนั้นเธอจึงจะกําหนดใจว่าเราจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้ อืนี่ก็ถ้าถ้าเราได้อ่านาช่วงที่พระศาสดาเนี่ยใกล้จะปรินิพานนะก็ค่อนข้างจะเศร้ามากนะผู้เจ้าเนี่ยจะค่อยๆวางระบบจัดระเบียบต่างๆธรรมะอะไรที่ผู้เจ้าเห็นว่ายังมีรูรั่วช่องโหวเนี่ยก็จะปิดรูรั่วช่องโหวต่างๆนะแล้วก็เหมือนสั่งเสียพิกษุทั้งหลายเนี่ยนะให พยายามมันปาลบความเพียร น, นะให้ทําความเพียร น, นะสารณะของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้ทําไปแล้วพวกเธอเนี่ยได้ทําสารณะให้กับตัวเองแล้วหรือยังนะแล้วประเด็นที่เรา <c oughs> <c oughs> จะเห็นก็คือ <c oughs> การบูชาพระต ถ, ถาคตเนี่ย <c oughs> ที่เป็นการบูชาอย่างสูงสุด <c oughs> ก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองการนําธรรมะของพระองค์เนี่ยมาศึกษา มาปฏิบัติตามนะเดินตามคำสอนพระองค์นะมีการถ่ายทอดคำสอนของพระองค์ออกไปนะนั้นเราจึงเน้นการศึกษาคำพูดของพระศาสดาโดยตรงนะโดยที่ไม่ต้องผ่านใครละเจาะไปที่คำพระพุทธเจ้าเลยนะเข้าใจไม่เข้าใจก็ขอให้ไม่เข้าใจเพราะได้อ่านคำศาสดานี่แหละแหนมันก็ได้ประทับใจแล้วนะนะจะเข้าใจไม่เข้าใจก็เอาละ ได้ผ่านหูผ่านตาสักนิดหนึ่งแม้เราเข้าใจแม้เพียงหนึ่งบทนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเราเนี่ยตลอดกาลนานแล้วนะนั่นก็ <c oughs> ในพระสูตรนี้จะเตือนให้ <c oughs> พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุดนะค่ะท่านสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณจำรัสสว่างสมุติคะ่ะหรือคุณยางอายุสี่ส เปีพระสูตรเจริญอ า, านาปานสติมีอนิสงค์คือจิตหลุดพ้นจากอาสวะค่ะพิสูจน์ทั้งหลายทําอย่างหนึ่งอันบุคคลผู้เจริญแล้วกระทํามากแล้วต้องเป็นไปเพื่อความหน่าย <c oughs> โดยส่วนเดียวเพื่อคลายคหนัดเพื่อความสงบเพื่อเพื่อความดับเพื่อการความรู้ยิ่งเพื่อการตัดสรู้เพื่อความนิพพานทําอย่างหนึ่งนี้คืออะไรคือ อาณาปณสติพิสูจน์ทั้งหลายทำอย่างนี้แล่ทำอย่างนี้แลอันบคุคคลผู้เจริญแล้วกระทมากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหนายโดยส่วนเดียวเพื่อใครกําำดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตัสรู้เพื่อ น, นิพานแล ะ, ะสูตรนี้ก็ทำ <c oughs> <c oughs> ให้เรา เห็นว่าอนาปานสติเนี่ยพระศาสดาก็สอนกับบุคคลยืนยันว่าบุคคลผู้ใดเนี่ยทำให้มากบุคคลนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสก็ตามถ้าบุคคลใดกระทํามากจเจริญมากเนี่ยก็จะมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่นในพระสูตรอื่นเนี่ยก็จะบอกอ น, นิสงส์ของอานาป่าไว้มากเหลือเกิ น, นจึงเป็นมักวิธีที่ค่อนข้างจะมีอนิสงส์มากที่สุด ผลที่เขาหวังได้เมื่อเขาทำมากทำบ่อยเจริญให้มากเนี่ยคือผลสองอย่างถ้าไม่เป็นพระอรหันในปัจจุบันก็จะได้เป็นพระอนาคามีบุคคลในปัจจุบันนีน้นั่นคิดอะไรไม่ออกนึกถึงลมหายใจไว้ก่อนนะรู้ลมหายใจเข้าไว้รู้ลมเข้าลมออกขณะที่รู้ลมก็ <c oughs> ชื่อว่าเราได้สำรวมอินทรีย์นะ ขณะที่รู้ลมหายใจก็ชื่อว่าศินบริบูรณ์เพราะขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ทําความผิดอะไรนะทางกายทางวาจานะขณะนั้นชื่อว่าอยู่อุเบกขาชื่อว่าเป็นการดูจิตนะถ้าใครเนี่ยรู้ว่าจิตเรากําลังรู้ลมผู้นั้นก็ชื่อว่ากําลังกระทําจิตตานุปัสสนาะคือเป็นการดูจิตแล้วถ้าใครเห็นจิตมันแปลเปลี่ยนนะ ไปจากอารมณ์เดิมก็จะเรียกว่าเป็นธรรมานุปัสนานั้นตัวลมหายใจเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่ครบในตัวเสร็จเลยนะพระศาสดา จ, จึงสันเสริญไม่มากและเรียกอีกอย่างว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตเรียกอย่างว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริบุคคลใครจะเป็นอริบุคคลให้ใช้อานาปานสตินะเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตของเราและยังเรียกอีกอย่างว่าเป็น กายคตาสตนะิคือเป็นการเอาจิตตั้งอยู่กับกายซึ่งพระองค์บอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะนะนั้นถ้าเราเอาจิตมาอยู่กับกายหรือลมหายใจเรากําลังได้อมะตะคือความไม่ตายนะนั้นความตายเป็นสิ่งที่นะอยู่เบื้องหน้าเรานะที่เรากําลังเดินเข้าไปนะทุกเวลานะวันคืนล่วงไปล่วงไป นะทุกเวลาทุกวินาทีเราแก้ปัญหาความตายได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของเรานะจเจริญกายยักตาสติอาณาปานาสติแล้วคอยละนันทีคือความเพลินถ้าจิตหลุดจากกายหรือหลุดจากลมหายใจไปนะทําแค่นีนะ้ชีวิตเราได้ความเป็นอมตะแน่นอนนะยินตัวอยู่ตรงนี้ตลอดนะอันนี้ก็อธิบายพระสูตรนี้ให้ มีอะไรต่อไหมค่ะสุดท้ายนี้ขอโอกาศท่านอาจารย์มอบของที่ระลึกแก่ผู้ศรเทธะโดยจะเข้าไปรับทีลท่านตั้งแต่ท่านแรกเลยนะคะรับเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมเพื่อที่จะกราบท่านอาจารย์อีกครั้งพร้อมๆกันนะคะเชิญน้องนุงน้ยุค้ค่ะที่เล็กวันนี้เป็นดีวดี หกเรื่องในหนึ่งเรื่องจะได้สั่งสมสุตตะต่อที่สองเดิมมาเลยค่ะค่อยๆค่อยๆ ค, ค, ค, คลานมาเลยค่ะที่สองค่ะต่อไปเลยค่ะ <c oughs> มาเลยค่ะลูกต้องโฟกัเต็มเลยนะคะโฟกสมาฮ่าเอค่ะเฟิร์นค่ะฟเฟิร์นค่ะน้องบิวค่ะ คุณนหนุ่มที่ไม่แก่ค่ะคน้องนิชนาธนี่เป็นอาสาไอดีของเราคนใหม่ล่าสุดค่ะคุณตาคุณแม่น้องบิวท่านสุดท้ายคุณย้งค่ะค่ะได้ชมทุกท่าน เตรียมกราบพระจานทร์พร้อมๆกันค่ะผู้ที่สรัชยาค่ะกราบกราบกราบค่ะเชิญกลับนั่งที่เดิมค่ะ ก็เสร็จไปหนึ่งกิจกรรมจริงๆก็มี <c oughs> เยาวชนอีกจำนวนมากนะพอดีอาจจะจำกัดด้วยเวลาเราก็เลยให้มาในักษณะที่เป็นตัวแทนและกันนะ <c oughs> ก็พอเป็นตัวอย่างให้ <c oughs> ให้พวกเราได้ทราบว่าแม้เด็กๆนะ อายุไม่มาก <c oughs> ก็ยังสามารถที่จะทรงจำคำสาสดาได้และถ้าเขามีข้อสงสัยอะไร <c oughs> เขาก็จะมาซักถามในคำของสาสด า, ศาอย่างน้องน้ำวุ้นนี่ก็จะจำได้เป็นสิบๆพศ์นะแต่วันนี้แสดงความสามารถนอยเดียวเนาะ <laughs> จิ๋วมากเลยน้ำวุ้นปกติน้ำว <laughs> ุ้นจะยาวอะไรเป็นหลายๆ ห, หน้านะ เก่งมากแล้วนำบุญก็จะถามนะรายละเอียดในนั้นอย่างเช่นสาธยายปฏิจจกาก็จะถามมาพบคือลายชาติคือลาเราก็จะได้ความรู้ไปอาตมาว่าเป็นการ <c oughs> ฝึกนะทักษะในการคิดในการค่ายควรทาของเยาวชนได้เป็นอย่างดีเพราะคำพระสสดาเนี่ยจะสอดรับกันหมด เมื่อคำพระศาสดาสอดรับกันเนี่ยเวลาเขาจำำําคําศาสดาได้มากเขาจะเห็นเลยว่ า, าในจิตเขาก็จะรู้ว่าพระสูตรนี้เชื่อมกับพระสูตรนี้พระสูตรนี้เชื่อมกับพระสูตรนี้มันจะลิงก์กันหมดเพระนั้นถ้าโยมจำำําคําศาสดาได้มากๆเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าโอ้โหสุดยอดมากพระเจ้าเนี่ยจะเชื่อมพระสูตรเชื่อมคําของท่านอย่างไม่มีการขัดแยง้งนะเราจะยิ่งมีศรัทธาในพระศาสดาเราเนี่ย ในลักษณะของศรัทธาที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวมากขึ้นมากขึ้นนะตอนนี้ก็จะได้ประโยชน์น ะ, ะมีใครมีข้อสงสัยนะจะสักถามพระอาจ า, ารย์คือ <c oughs> ผมอยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราเคยได้ยินว่า นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับอยู่ในพุทธวจนะนะครับนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งนะฮะทีนี้ผมเข้าใจว่าในส่วนของอ่นิพพานเนี่ยเป็นในเรื่องของอสังกัจธรรมอไม่ใช่ไม่ใช่สังกัจธรรมอซึ่งแยกกันอย่างอย่างอย่างชัดเจนใช่ ทีนี้ในกรณีที่ท่านกล่าวลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า <c oughs> ท่านกล่าวในลักษณะของมุมไหนอ๋อ <c oughs> ก็คือในลักษณะ <c oughs> อย่างนี้ว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ว่าเรื่องของสัญญาเวทิตานิโรธสมาธิขั้นที่เก้าสมาธิทั้งหมดเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้ 9ขั้นนะตั้งแต่ปฐมฌานนะฌานหนึ่งสองสามสี่อาการสานันจายทุนะไล่จนถึงสัญญาเวทิตนิโรธในสมาธิสัญญาเวทิตนิโรธเนี่ยดับรูปได้ดับเวทนาได้ดับสัญญาได้เหลือวิญญาณกับสังขารสองขันปริพาชกเขาก็จะถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าสัญญาเวทิตนิโรธที่พูะพุทธเจ้าบอกว่า มีความสุขเนี่ยมันจะสุขได้ยังไงเพราะว่ามันดับเวทนาไปแล้วนะดับเวทนาขันซึ่งเวทนาขันมีสามอาการคือสุขทุกข์แล้วก็อทุก ข, ขมะมสุขหรืออุเบกขาเฉยๆนี่ <c oughs> พรุทธเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นสุขในฐานะใดาฐานะหนึ่งนะที่บุคคลเพียรพยายามเพื่อจะบรรลุถึงแต่ไม่ใช่สุขเวทนานั้นมันมีสุขอีกแบบหนึง่ง ซึ่งมันไม่ใช่สุขเวทนานะแต่ก็เป็นความสุขเหมือนกันความสุขตรงนี้จะมีเปรียบเทียมในอีกพระสูรหนึ่งนะสุขที่อิงอามิ t h สุขที่ไม่อิงอามิตรสุขที่ไม่อิงอามิตรยิ่งกว่าไม่อิงอามิตรก็คือสุขในนิพพานซึ่งจะคล้ายลักษณะเดียวกันคือไม่ได้อยู่ในฐานะของสุขเวทนาแต่เป็นสุขในฐานะใดาฐานะหนึ่งที่บุคคลเพียรพยายามเพื่อจะบรรลุ ถ, ถึง นะก็ยังจัดว่าเป็นเรื่องของสุขเหมือนกันนั้นสัพ์บัญญัติมันก็จะเริ่มไม่มีละนะก็ะในสภาวะของ <c oughs> นิพพานเนี่ยมันบัญญัติอะไรไม่ได้นะจึงต้องบัญญัติในลักษณะเทียบเคียงอย่างนี้นะตรงนี้ก็เลยเอามาเทียบเคียงให้ให้ทราบว่าก็เป็นหนึ่งในความสุขเหมือนกันแต่เพียงแต่ไม่ใช่สุขเวทนาซึ่งมีการเกิดดับ แต่ในสภาวะธรรมนั้นอย่างที่โยมบอกก็คือเป็นอสังขตะซึ่งอสังขตะเนี่ยนะบัญญัติอะไรไม่ได้นะเหตุเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏนะการบัญญัติปัญญัติเนี่ยบัญญัติได้กับสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเท่านั้น <c oughs> เราจะเรียกดอกไม้ต้องมีดอกไม้มาก่อนเราจะเรียกหยดน้ำก็ต้องมีหยดน้ำให้เห็นก่อนเราจะเรียกอะไรสักอนุนึงต้องมีอะไรโผล่มาให้เห็น แต่ในอสังคตะไม่มีอะไรโผล่ไม่เห็นเลยเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏมันเป็นความมีอยู่แต่ความมีอยู่นี้เกิดไม่ปรากฏเรียกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดอย่างที่สองเมื่อเกิดไม่ปรากฏเสื่อมจริงไม่ปรากฏเรียกว่าณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมแล้วก็ณติดตะสารยตตังปัญญายติเมื่อมัน สภาวะที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนั้นสภาวะของอสังขตะหรือนิพพานหรือวิมุตตเนี่ยจึงไม่มีการดับพระศาสดาจึงเรียกสิ่งที่ไม่ดับว่าอามตะไม่ตายนั่นเองนะและสถานที่นั้นสภาวะนั้น <c oughs> ไม่มีการเวลาจึงถูกเรียกว่าอากาลิโกนะไม่มีการเวลาสิ่งใดที่ไม่ดับสิ่งนั้นคือเป็นบรมสุข นะเพราะสิ่งที่ดับได้ก็คือทุก์นั่นเองในขณะที่ต้องเดินไปสู่สภาวะแห่งความดับความแตกสลายพรมก็ไม่อยากตายเทวดาก็ไม่อยากตายมนุษย์ก็ไม่อยากตายสัตว์ทั้งหลายก็ไม่อยากตายแต่สรรพสัตว์ต้องเดินไปสู่ความตายทั้งสิน้นนะนี่พระเจ้าจริงบอกว่าสภาวะที่ไม่ดับเนี่ยคือสุขอย่างยิ่งนะเป็นอย่างนี้กลับเรียนธรรมพระอาจารย์ต่อนิดนึงครับออื เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอานาปาสสติ uh huh. ครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่พระอาจารย์ได้ได้กล่าวถึงการปฏิบัติอานาปัสสติเนี่ยเป้าหมายก็คือนิพพานใช่ครับทีนี้ในเมื่อเริ่มต้นจากการปฏิบัติไปเนี่ยมันจะมีผู้รู้อยู่อ uh huh. ครับ <c oughs> ทีนี้เมื่อผู้รู้เนี่ยไปถึงเนี่ยอะไรเรื่องของอการที่จะเข้าสู่วิมุติเนี่ยอฮ uh huh. วิมุตติยานทัศนะเนี่ยอืมีวิมุติเป็นเครื่องอาศัยใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากจะเดียนถามอาจารย์ว่าเมื่อสุดเมื่อถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องละผู้รู้คือวิมุตติยานทัศนะถูกต้องไหมครับ อ, อต้องละละวิมุติน่ะต้องละวิมุต <c oughs> เพราะวิมุตติยานทัศนะเนี่ยเป็นเป็นตัวผู้หลงหรือผู้ยึด อะไรต่ออะไรทุกอย่างคนที่ใช้ขันหาก็คือตัววิมุติยันทัศนะนี่แหละแต่ไม่ได้เรียกวิมุติยันทัศนะเพราะขณะที่ยึดมันยังมีความหลงจึงเรียกว่าผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกสิ่งนี้แหละที่ยึดขันห้าอยู่และสิ่งนี้แหละเมื่อปฏิบัติมรรคได้เรียบร้อยแล้วจึงทำให้อวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้น ผู้หลงผู้นี้ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นเมื่อหมดอวิชชาแล้วจึงถูกเรียกว่าวิมุตติอนาทศนะผู้รู้ในวิมุตต์นะและผู้รู้ในวิมุตต์นี้นะตั้งอาศัยในวิมุตต์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเหมือนกันนะนั่นก็คือนิพพานนะผู้เจ้าจึงบอกว่าพระละหันขีณาศพทั้งหลายหรืออรันตสัมมาสัพพุทธเจ้าย่อมไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพาน ไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรานะเพราะรู้แล้วว่านันทิคือความเพลินเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์นะถ้ามีความเพลินก็จะมีอุปทานมีความยึดมั่นแสดงว่าอุปทานยังมีถ้าอุปทานมีก็จะกลับมาหลงในกันทั้ง5ได้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าและพระหลานทั้งหลายเนี่ย จึงต้องละความเพลินในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานก็คือตัววิบูต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในธรรมชาติที่เป็นอสังขตะจะมีวิมุติยันทัศนะคือผู้รู้ในวิมุติและมีวิมุติธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนะเป็นที่ตั้งอาศัยอย่างนี้นะขออนุญาตถามอีกสักข้อหนึงครับ อ, อเกี่ยวกับเรื่องการละนันทินะครับ เอไม่ว่าจะเป็นการอดับสันโยคะอะการมีติตผูกติดอารมณ์ด้วยอํานาจของความเพลินหรือตํานาจของกนันทิก็ดีในเรื่องของความกําหนัดไปตามอารมณ์ตามอำนาจของการติดตึกก็ดี<อ> <c oughs> เป็นตลางก็ดีเป็นตังหาก็ดีมักวิธีที่ง่ายรัดที่สุดนี่ก็คือการละนันทิต้องไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ <c oughs> ก็คือ ดับภพบเลยดับภพบดับชาติเลยทันทีนะเร็วสุดง่ายสุดนะก็คือจิตสร้างการเกิดมาปับ๊บวางเลยอย่างนี้ขณะที่วางเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญาครบในตัวขณะที่วางปุ๊บก็คือจะเห็นดับนะจะเห็นดับเห็นเกิดเห็นสมุทัยคือเกิดเห็นนิโรธคือดับทันทีนั้นขณะที่จิตเพลินไปปับ๊บเราดึงกลับมาปั๊บเนี่ยจะเห็นดับเห็นเกิดหลุดไปปั๊บเนี่ยเห็นดับเห็นเกิดนะ ปัญญาเนี่ยอยู่คาตาเราเลยคือปัญญาที่เห็นอริศสัตตินะนั้นปัญญาที่เห็นอริศสัตติเกิดดับเนี่ยเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนะเครื่องเจาะแทงกิเลสโดยตรงนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊เห็นเกิดเห็นดับมันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะอาตมาเองก็เคยคิดสมัยเป็นนักเรียนมานั่งดูการเกิดดับนะมันจะมีประโยชน์อะไรเห็นเกิดเห็นดับมองไม่ออกนะ ไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วนี่คือสุดยอดปัญญาที่เรียกว่าเป็นการเจาะแทงกิเลส ต, ตัวอวิชชาโดยตรงนะตัวใหญ่เลยตัวหัวหน้าเลยนะด้วยการทนเห็นเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเข้าใจอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งชัดขึ้นมาเมื่อเข้าใจอนัตตาแล้วเนี่ยปัญญาจะตามมาทันทีว่าสิ่งที่เป็นอนัตตามันเกิดมันดับเนี่ย มันจะไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะขณะที่มันดับเนี่ยเราก็ยังเห็นมันอยู่มันดับเราไม่ได้ดับไปตามมันนั่นคือผู้เจ้ากาลังแยกผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันสิ่งที่ถูกสังเกตมีการเกิดการดับแต่ผู้สังเกตเนี่ยไม่ได้ดับไปตามสิ่งนั้นด้วยสิ่งนั้นแหละคืออมตะซึ่งมีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วนะเราเนี่ยมีวิมุติอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่วิมุตินี้ยังไม่ถูกขัดเกลารด้วยอริยมรรคเมืมง8จึงยังมีอวิชชาความหลงความไม่รู้อยู่เพราะนั้นตรงนี้จึงบอกว่าต้องใช้สับของพระศาสดาไม่งั้นจะงงนะไม่งั้นจะเข้าไปตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิแบบสาติเกวัตบุตรภิกษุชื่อสาติบอกว่าวิญญาณเวียนไหวาตายเกิด นะเพราะนั้นในพุทธศาสนาในคำสอนพระตถาคตไม่มีคำว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะนั้นเราชาวพุทธอาจจะเข้าใจผิดหลายท่านนะเพราะนั้น <c oughs> เราก็เคยเข้าใจผิดมาเป็นเหตุเพราะเร า, เาใช้ศัพท์ผิดจากพระศาสดานั่นเองจริงๆชาวพุทธเราเข้าใจถูกว่าเอ๊ะมันต้องมีคนคนหนึ่งสิที่มันเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ย ที่สังสมกรรมดีกรรมชั่วต่างๆนะนั่นก็คือมีอยู่จริงนะแต่ไม่ได้เรียกว่าจิตมโนวิญญาณนะจิตก็ไม่ใช่มโนใจก็ไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่เพราะ3มชื่อนีนะ้ผู้เจ้าบอกว่าคือตัวเดียวกันคือวิญญาณขันที่มีการเกิดและการดับนะแต่จริงๆสภาวะธรรมที่สังสมกรรมต่างๆที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีปัญหาเป็นเครื่องผูกต้องเรียกให้เต็มอย่างนี้นะผู้เจ้าจึงบอกว่าเราและเธอทั้งหลายเนี่ยต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานเพราะอะไรเพราะไม่รู้ซึ่งอริยสัตว์คนไม่รู้อริยสัตว์ก็คือคนที่มีอวิชานั่นเองนะนั้นเมื่อทําวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วด้วยมักมีองค์แปดอวิชชาจางคลายหมดไปผู้ท่องเที่ยวตัวเนี้ยก็มีปัญญาแล้วฉลาดแล้ว พระองค์จึงเรียกตัวนี้ว่าวิมุตติยานัฏฐานะคือผู้เดิมนั่นแหละนะนั้นเวลาเราเข้าถึงวิมุตติยานัฏนะก็คือเรากลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมของพวกเราทุกคนจริงๆผู้เจ้าก็ต้องการสอนให้พวกเราเนี่ยกลับไปบ้านเก่ากลับไปหาชีวิตเดิมของตนเองนั่นเองนะซึ่งมีอยู่แล้วเพียงแต่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราแค่นั้นเองแก้ความไม่รู้ด้วยการมาเห็น อาลีาสัตวความรู้จะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นดวงตาเห็นธรรมจะเกิดขึ้นว่าขันห้าธรรมธาตุทั้งหลายในสังคตะทั้งหมดเนี่ยสังคต ธ, ธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะเมื่อนั้นแหละมักจะเริ่มเดินไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทําของเราทุกขณะแห่งการฝึกฝนนะนั้นทุกขณะแห่งการรู้ลมหายใจ จะว่ากิเลสไม่ดับไปไม่ได้นะกิเลสจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทําเพียงแต่ว่าเราสังเกตไม่ออกและพระเจ้าก็บอกไม่ต้องไปสังเกตมันหรอกนะเปรียบเหมือนด้ามเครื่องมือของช่างไม้ช่างไม้ก็ไม่สังเกตไม่สามารถสังเกตได้ว่าด้ามเครื่องมือด้ามเครื่องมือของเราเนี่ยมันสึกไปวันนั้นเท่านี้วันนี้เท่านี้นะกี่อนุกี่เซนกี่มินรู้เพียงแต่ว่ามันสึกไปสึกไปผ่านไป5ปี10ปีโอ ด้ามเครื่องมือเราศึกไปเยอะแล้วใช้ทุกวันหยิบทุกวันจับทุกวันนะนั้นผู้เจ้าก็บอกว่าไม่ต้องไปคอยสังเกตภิกษุ <c oughs> และพวกเธอเนี่ยไม่มีลิธานุภาพที่จะดนบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอสุะในวันนั้นวันนี้แต่แท้ที่จริงแล้วจะมีเวลาที่เหมาะสมของมันณนะวันหนึ่งซึ่งเมื่อเราจเจริญมรรคไปเดินมรรคไปเนี่ยมันจะหลุดพ้นของมันเอง ซึ่งพระองก็เปรียบเหมือนการเหยียบย่ําลงไปกองบนกองเข้าเปลือกนะเดินเหยียบกองเข้าเปลือกไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยนาะเวลาหนึ่งเข้าเปลือกจะตั้งอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมมันก็จะต่าเท้าเราเลือดไหลนะนั่นก็คือเดินมัดไปเดินมัดไปนาะเวลาหนึ่งตั้บเวลาที่เหมาะสมเราก็จะบรรลุทําได้เองนะทำความเพียรไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็ต้องข อ, อชมยมท่านนี้นะใช้คำถามที่อยู่ในคำพระศาสดาทั้งนั้นเลยนะแสดงว่ามีการสั่งสมสุตตะคำพระศาสดามามากนะแล้วก็แ <c oughs> งมุมการถามอย่างนี้แหละที่เราเรียกว่าปฏิปุฎชาวินีตาปริษาโนโอุกาจิตวินีตาบริษัทที่เลิศเพราะศึกษาและใช้แต่คำของตถาคตนะ นั้นเวลาโยมศึกษาคําศาสดานะเศรพครบมากนะทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจโยมก็จะมีข้อสงสัยในคำสัสดาเวลาโยมถามปั๊บเนี่ยมันจะเป็นคำสัสดามาทางนั้นปับ๊บผู้ฟังจะรู้เลยว่าโอ้คนนี้เศพครบธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้ามากนะต่อไปเขาก็จะเป็นผู้ที่แตกฉานมากขึ้นมากขึ้นนะจะเป็นบริษัทที่เลิศนะที่พระเจ้าเรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสา โนอุ ก, กาจิตวินีตาโนนะอับแปลว่าไม่โนอุ ก, กาจิตหมายถึงไม่ใช้คําที่แต่งขึ้นใหม่หรือคําของสาวกแต่ใช้คําของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นในการศึกษาและปฏิบัตินะเรามีอาจารย์ที่เก่งที่สุดแล้วชื่อสิท ธ, ธัตถะพระสมณโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับเข้าไปศึกษาคำพูดของพระองค์เพราะพระองค์เป็นครูที่เก่งที่สุดในโลกนะสอนทั้งเทวดามนุษย์สอนทั้งคนที่ โง่ที่สุดนะถึงฉลาดที่สุดมีคําสอนครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องไม่มีคําพูดผิดแม้แต่คําพูดเดียวคําพูดสอดรับกันทั้งหมดและคำพูดเป็นอะกาลิโกนะในเมื่อเรามีผู้ที่เก่งที่สุดเป็นสัพพัญญูแล้วทําไมเราไม่เข้าไปเสพครบนะธรรมะของพระองค์ที่พระองค์กว่าจะกลั่นออกมาได้ต้องกําหนดสมาธิต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งดุจราชสีตระคุบเยื่อนะ เพื่อต้องการให้สาวกผู้ฟังคำสอนเนี่ยรู้ตามให้ได้นะเพราะนั้นให้เชื่อมั่นว่าคำสอนสาศาสดาเราดีที่สุดเก่งที่สุดและความเชื่อมั่นตรงนี้ใครมีคนนั้นชื่อว่าอยู่ในเสขภูมิภูมิธรรมของความเป็นโสดาบันนะคุณสมบัติหนึ่งของเสขภูมิก็คือเขาจะรู้ว่าไม่มีคำสอนของสนานักพราหม์เหล่าใด เลิศกว่าของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกแล้วนะเขาจะเชื่อมั่นขนาดนั้นผู้เจ้าบอกก็ให้รู้แต่ว่าคนคนนั้นเป็นเสขบุคคลอยู่ในเสขภูมินะอย่างนี้อาจารย์ครับทำยังไงเราถึงจะไม่โกรธคนอื่นล่ะทำยังไงจะไม่โกรธคนอื่นนะอ่าโฟกน้องโฟก ทำยังไงจะไม่โกรธคนอื่นแหมมันโกรธตลอดเนาะยากเหมือนกันเนาะเป็นเพราะว่าผัสสะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเป็นผัสส ะ, ะเรโตเป็นผู้มีผัสสะบังหน้าถูกผัสสะบังหน้าเราเข้าใจผิดในผัสสะเวลาตากระทบรูปใครทำอะไรให้ไม่ดีหรือหูกระทบเสียงเขาพูดมาไม่พอใจเราก็คิดว่าสัมผัสเป็นเราการได้ยินเป็นเรา เสียงเป็นเรานะหูเป็นเรานะนั่นเขานี่เราพอมีเราก็มีเขามีเราขึ้นมาเอาล่ะทีนี้แหละใช่ไได้มีการทะเลาะกันแล้วใช่ไหมอ่าเพราะเหตุของความพอใจและไม่พอใจนั่นเองนะนั้นถ้าต้องการระงับความโกรธความผูกโกรธให้ได้เนี่ยต้องเข้าใจในภาษะให้ไวนะต้องรู้ว่าทุกสัมผัสเนี่ย มันจะนําพาเราไปสู่ความพอใจไม่พอใจต้องรีบวางรีบทิ้งนะอะ <c oughs> ฝึกทิ้งอารมณ์บ่อยๆเนาะ <c oughs> และพยายามทําความเข้าใจในภาษะทุกการเห็นเนี่ยยมแยกสิเห็นรูปปั๊บเนี่ยพินาเลยรูปไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยง <c oughs> ได้ยินเสียงก็อเสียงไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเนาะอ่าอย่าขอบคุณครับ ดึงจิตกลับมาที่กายบ่อยๆความโกรธจะถูกละงับไปก็คงประเคนอาหารกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้พระท่านอ่านพระสูตรเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วง อาสานาบูชาคือในช่วงที่มีการแสดงธรรมจักนะให้กับปัญจวัคคนะีซึ่งทำให้เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดนะพระสงฆ์ขึ้นเป็นรูปแรกในโลกนะพระอัญญาโกธัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานะเข้าใจนะจึงเป็นพยานในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ พันษานิพระเยอะหน่อยนะตก30กว่าได้ก็ที่เหลือจึงต้องนั่งข้างบนนะตรงนี้นั่งข้างล่างก็เป็นตัวแทนสองกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะกะ็น่ายินดีอย่างหนึ่งที่พุทธบริษัทเรามีความสนใจในคำพระศ า, ศาสดานะได้ มีความต้องการที่จะมาศึกษาคำพระสาสดานะก็เลยทำให้ได้เข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ <c oughs> ก็แม้เป็นเวลาเพียงชั่วขณะนะามาก็เห็นประโยชน์จากหลายท่านนะที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แม้เพียงเวลาไม่นานก็กลับออกไปเป็นอุบาสกอุบาสิก อุบาสกที่ดีนะได้สืบทอดพระศาสนาได้ช่วยดำรงพระศาสนาต่อไปนะหลายๆคนกลับมาช่วยงานนะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ทำข้ามวันเสาร์นะเราก็จะมีทีมพระเก่าๆนี่แหละที่ลาสิกขาไปมาช่วยทำด้านสื่อ ธรรมะนะมาช่วยไลฟ์ดีวมาช่วยถ่ายทำนะมาช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยเป็นกลุ่มอาสาสมัครในการตรวจทานหนังสือนะในการพิจารณาข้ออัดข้อทำนะทาให้งานหนังสือของเราเนี่ย <c oughs> ได้สําเร็จรุ่งรุงไปด้วยดีนะทำให้มีพุทธวจนะ ออกมาเป็นเล่มๆอย่างที่จะแจกให้เราอยู่เนี่ยก็ได้จากแรงกายแรงใจของกลุ่มอาสาสมัครทุกๆ ท, ท่านนะแรงกายแรงใจจากพระทุกรูปที่ช่วยกันน ะ, ะศึกษาค้นคว้าตรวจสอบนะแล้วก็ได้รวบรวมมานะพระแต่ละองค์แต่ละท่านนะที่ ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้ท่านก็ปฏิบัติตนเป็นทายาทนะธรรมทายาิด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธินะฝึกหัดศึกษาปฏิบัติตามธรรมนะเดินตามมรรควิธีที่พระสาสดาบัญญัติไว้กัลยาณวัตรที่พรงบัญญัติไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการใช้จีวร น, นะเราก็ใช้จีวรย้อมด้วยน้าฝาดซึ่งไม่ใช่ง่าย นะในวันโกนวันย้อมผ้าเหนื่อยกันทุกองคทุกท่านนะต้องทุบผ้าต้องย้อมผ้าต้องเคี่ยวน้ำนะจากเปลือกไม้กันไม้ใบไม้นะแล้วเคี้ยวให้เข้มข้นให้ได้น้ำเข้มข้นขึ้นมานะจากหม้อใหญ่ๆเนี่ยเบอร์ห้าสิบห้าิเนี่ ย, เ, 55, 60, เ, ยเป็นสิ1 0หม้อเคี่ยวให้เหลือหม้อเดียวนะแล้วก็ <c oughs> ถึงจะนํามาย้อมผ้าได้นะ ฉันตามที่ผู้เจ้าบอกก็คื อ, อฉันในบาทนะมีภาชนะในการขบฉันคือบาทนะมีการบินทบาตเป็นวัดนะ <c oughs> มีการใช้ผ้าบางสกุลพระหลายๆท่านนะรักษาทุดงควัดซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแนะนำไว้กับพระมหากัสสปะนะบอกว่าเราและเธอทั้งหลาย เราและเธอต้องช่วยกันอบรมพิสูุนะเพราะพิสูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะรักษาทุดงควัดกันนะนั้นทุดงควัดเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่ผู้เจ้าเนี่ยให้พิกษุเนี่ยช่วยกันน้อมมารักษานะการถือผ้าบังสกุลผ้าหอ่อศพผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะเอามาจากไหนเอามาจากนิติเวทนะที่เขาทิ้งผ้าห่อศพทุกวันเราก็เอามาตัดเย็บย้อมนะทเป็นจีวร นะทําเป็นผ้าในการนุ่งห่มไดนะ้การถือจีวรสผืนมีเครื่องแบบแค่3ผืนนะไม่มีผืนที่4นีะ่การฉันภาชนะเดียวการฉันอาสนะเดียวลุกจากที่แล้วไม่ฉันอีกนะมีภาชนะใบเดียวในการขบฉันนะการอยู่ป่านะก็สถานที่นี้เราหาป่าไม่ได้เราได้ทุ่งนา ม, มาเราก็สร้างป่าเองนะพระพุทธเจ้าแนะนําให้อยู่ป่า ก็เลย5้าปีแรกเราก็สร้างป่าขึ้นมาจนได้เป็นป่าที่พอจะสมบูรณ์ระดับหนึ่งนะในปัจจุบันนะก็ได้เป็นที่พักอาศัยปฏิบัติภาวนาของพระาการอยู่ป่าช้านะอยู่ที่แจ้งนะการถือรี บ, บท3ยืนเดินนั่งไม่นอนนี้ล้วนเป็นทุดดขวัตรข้อปฏิบัติเพื่อการขูดกลาวกิเลสอย่างยิ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวหนังสือไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวทยอยไปในนั้นก่อนเดี๋ยวจะให้อ่านคำสอนพระศาสดานิดหนึ่งนะหลังจากพระอ่านคำพระศาสดาแล้วนะในเหตุการณ์วันสันหานี้ก็ต่อไปจะให้พร ก่อนที่พระจะไปตักอาหารหลังให้พรแล้วเนี่ยก็จะแจกหนังสือซีดีให้กับพวกเรา <c oughs> จะมีสติกเกอร์นะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แบบที่แปะไปทั้งแผ่นและแบบที่แกะมาเฉพาะได้เฉพาะตัวก็มีทั้ง2 อ, อย่างหนังสือประถมธรรมหนังสือตามรอยธรรมนะซึ่งหนังสือนี้ก็ไดจากการสนับสนุนของญาติโยมที่มานี่แหละนะ ที่มีศรัทธาในคำพระศาสดาก็ได้เป็นเจ้าภาพนะทำหนังสือหรือรวบรวมนะเป็นผู้ที่รวบรวมนะปัจจัยมาเพื่อนะพิมพ์สื่อธรรมะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการดำรงไว้ซึ่งพระศัสธธรรมคำสอนความตั้งมั่นแห่งพระศัสธธรรมในข้อที่สคือต้องขยันถ่ายทอดนะเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลาย เพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมุลรากสืบทอดกันต่ อ, ตอไปเราอยากให้ชาวพุทธได้มีคำศาสดาของตัวเองอยู่ไว้ประจำบ้านนะเพื่อที่จะใหะ้ตนเองได้ศึกษาปฏิบัติตามเพื่อให้ลูกหลานได้อ่านและเพื่อให้คำพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วทุกอนุของแผ่นดินนะบ้านเราอยู่ที่ไหนนะมีคำสอนพระศาสดาอยู่ตรงนั้นนะก็ชื่อว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ กำลังทรงไว้ซึ่งพระศัทธรรมนะในการประกาศคำสอนพระศาสดายมดูที่ถ้าที่อัฟก า, านิสถานเห็นไหพอถูกระเบิดอะไรไปแล้วเข้าไปค้นพบเจออะไรใบลานนะที่เราอัญเชิญมาเนี่ยนะจากที่นอร์เวย์ทีมของนอร์เวย์เข้าไปสำรวจไปค้นพบก็ไปค้นพบซากใบลานนะซึ่งมีจารึกอักษร นะตรงนี้จึงเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งเมื่อเอาเศษเล็กเศษน้อยมาต่อกันเป็ น, ปนชิ้นใบลานเป็นอักษรได้แล้วเนี่ยมีการแปลอักษรนี้ออกมาก็ตรงกับนะข้อมูลที่พระเจ้าโศกมหาราชส่งสมณทูตไปก้าวสายกระจายไปทั่วโลกตรงกับบาลีสยามลัฐของเรานะตรงกับที่ขุดพบเจอที่ลบบุรีและเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นก้อนศิลาสลักอักษปรปาวะภาษาบาลีเป็นเรื่องของปฏิจจสุบาทเหมือนกันคือการเข้าถึงความไม่ตายว่าจะไม่ตายได้อย่างไรนะเพราะนั้นข้อมูลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยบอกสอนเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วอาตมาจึงอยากกระจายคำสอนเนี้ยไปทั่วทุกบ้านทุกหลังของชาวพุทธเพื่อทุกคนเนี่ยณนะวันใดวันหนึ่งอีก500ปีพันปีนะ เกิดหลักฐานนี้ยังอยู่นะอ่าก็ยังได้ใช้ประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังในการพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความไม่ตายนะเหมือนกับว่าณวันนี้เราได้บาลีสามลัฐมาจากที่รัชกาลที่5นะได้ทำการแปลาจากไบลานที่เป็นอักษรขอมนะลงมาเป็นหนังสือยองคิดดูว่าหนังสือที่ทำตั้งแต่ปี 2,4,3,6 ยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้ทำให้เกิดเป็นประโยชน์นำมาพิมพ์เป็นหนังสือใหม่ต่อยอดไปในวันนี้และนำมาต่อยอดในอุปกรณ์เครื่องมือนี้คือ iPhone, iPod, iPad นะและมือถือของทุกคนนะเราทำข้อมูลนี้เข้าไปในระบบตรงนี้ด้วยนะในแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งทำให้คำพระสัจจะกระจายไปทั่วโลกโยมสามารถโหลดข้อมูลนี้ได้จากทั่วโลกนะ ก็จะทำให้คำพระศาสดาเนี่ยต่อยอดเข้าสู่เทคโนโลยีปัจจุบันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหนังสือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่สำหรับราชการที่5คนก็ไม่ค่อยชอบกันเหมือนกันบอกว่าโอ้ยมันจะได้เรื่องหรือเปล่าใบลานมันทนกว่าแต่รอ5บอกว่าไม่เอาอะเอาหนังสือดีกว่าเพราะมันพิมพ์ได้คราวละมากๆถึงแม้จะไม่ค่อยทนเท่าใบลานก็จริงแต่ก็ยังพอใช้งานได้ณนะวันนี้เราก็ได้ หนังสือจากราชการที่5ต่อยอดมาเป็นหลักฐานทุกวันนี้และต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีในอนาคตนั้นในนี้จะบรรจุแอปพลิเคชันที่เรียกว่าอ e ีเตปิตกะนะยมคีคำว่าพุทธวจนะหรืออ e ีเตปิตกะเข้าไปยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ในนี้จะมีข้อมูลบาลีสามรัฐทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะพร้อมโปรแกรมในการสแกนตรวจคน้นนะคพูดของพระาศาสดา เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงจริงเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกไบลานที่รัชกาลที่5เอามาจากไหนเอามาจากที่รัชกาลที่1นะรัชกาลที่1ขอประชุมพระในปี2331 2 0 0กว่าลูกที่วัดพระศรีสรนเพชคือวัดมหาธาตุยุวราชลังศสริฐปัจจุบันนะที่กรุงเทพเพื่อที่จะช่วยให้ช่วยกันคัดลอกพระตาบิดก อีกรอบหนึ่งเพราะหลักฐานประเทศไทยครั้งกรุงศรีถูกเผาหมดแล้วทํำยังไงก็เลยได้พระตาบิโดกจากลาวจากรามันมาแล้วขอพระให้ช่วยกันลอกเก็บเอาไว้นะเป็นหลักฐานของประเทศไทยนะนั้นเห็นไหมว่าผู้นําประเทศในแต่ละยุคเนี่ยที่มีสัมมาทิฏฐิเห็นประโยชน์ตรงนี้เขาจะช่วยกันเก็บนะคำพระศาสดานะ รักษาคำพระศาสดาเอาไว้รัชกาลที่5ได้เคยพูดว่าให้ช่วยกันถนอมรักษาพระพุทธวจนะนะเราจึงโคดคำพูดตรงนี้นะนำมาใช้นะในการเผยแพร่คำสอนด้วยเหมือนกันนะในที่ธรเนียบก็เลยเนียบรัฐบาลก็เลยนำคำนี้ ไปตั้งเป็นชื่อชมรมของเขาว่าชมรมถนอมรักษาพระพุทธวจนะนะก็เราจะช่วยกันในทุกๆระดับนะทั้งรากหญ้าทั้งข้างบนนะใครเป็นระดับผู้นําประเทศถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าขององค์กรของประเทศชาติก็ให้นําคําสอนพระผู้มีพระภาคเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติมาเผยแผ่นะทำอย่างพระเจ้าโศกมหาราช กระจายคำผู้เจ้าไปทั่วโลกทําอย่างราชกาลที่1ช่วยปกปากรักษาคําศาสดาไว้ทําอย่างราชกาลที่5สละพระราชทรัพย์พระราชทรัพย์0 0งพัช่างนะพิมพ์บาลีสามรัฐ4ี่0 0ื่เล่มกระจายทั่วประเทศกระจายทั่วโลกนะอ่านณะวันนี้เราก็กระจายคำผู้เจ้าออกทั่วโลกด้วยเทคโนโลยียุคใหม่นะแล้วก็การพิมพ์เป็นหนังสือทุกรูปแบบนะทุกสื่อธรรมะทุกแบบเราจะทําให้ พระสัตย์ทำคำสอนผู้เจ้าเนี่ยคงไว้ในโลกให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะอันนี้ก็คือหลักการนี่คือปณิธานของเราที่พยายามทําอยู่ทุกวันนี้และต้องทําความกระจ่างให้กับชาวพุทธนะให้เข้าใจเพราะธรรมะพระศาสนา ก, ก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายนักและก็ไม่ใช่ยากนักอยู่ในวิสัยของมนุษย์จะพึงรู้ได้นะ่ะสำหรับผู้ที่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรซักถามได้ รัศดาบอกว่าถ้าเธอเข้าไปพบกับผู้ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยให้เธอเข้าไปซักไซสไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ไหนด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เธอย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยเนี่ยให้คลายลงไปได้นะก็จะทําให้พวกเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นะและทุกขอย่างยิ่งคือความตาย เราก็จะพ้นได้อย่างถูกต้องนะ <c oughs> ในโอกาสนี้ก็จะให้พระท่านสาธยายนะพระธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ได้เคยถัดไปนะก็ให้พวกเราตั้งใจเงี่ยโสดลงสะดับนะจากนั้นเสร็จแล้วก็จะให้พรและดำเนินกิจกรกรมอย่างอื่นต่อไปนะ ตั้งใจฟังพุทธวิสัยธรรมวินัยจากพุทธโอด <c oughs> ขอโอกาสนักโมตสระพระคาวโตรหะโตสัมมาสัมพุทธสั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 ราชกุมารลำดับนั้นเราจะริกไปตามลำดับไปสู่เมืองพาราณสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุปัญจวคีหน้าป่าอิสิก ป, ปตนะมลรคทายวันภิกษุปัญจวคีเห็นเรามาแต่ไกลได้ตั้งกติกาแก่กันและการว่าผู้มีอายุพระสมณโคดม กำลังมาอยู่เธอเป็นผู้มากๆสลัดความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหวอย่าลูกรับอย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จักตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปราถนาจาักนั่งได้ราชกุมารเราเข้าไปใกล้ภิกษุ ปัญจะวคีด้วยอาการอย่างใดเธอไม่อาจถือตามกติกาของตนได้ด้วยอาการอย่างนั้นบางพวกลุกครับและรับบาทจีวรแล้วบางพวกปูอาสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโคดมด้วยและโดยคำว่า ท่านผู้มีอายุด้วยครั้นเธอกล่าวอย่างนั้นเราได้กล่าวคํานี้กับภิกษุปัญจวคีนั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเรียกร้องเราโดยชื่อและโดยคําว่าผู้มีอายุภิกษุทั้งหลายเราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจงเงี่ยโสดลงเราจากสอนอมตะธรรม ที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเที่ยวจากกระทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจันทร์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลวอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนา ของคุรบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบราชกุมารครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วภิกษุปัญจัวคีกล่าวคำนี้กับเราว่าผู้มีอายุโคดมแม้ด้วยอิรยาปฏิปทาและทุกข์กากรยา น, านั้นท่านยังไม่อาจบรรลุอุตริมนุสธรรม อาามาริย า, ยาทัศนวิเศษได้เลยก็ในบัดนี้ท่านเป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากแล้วทำไมจะบรรลุอุตริมนุสธรรมอาามาริย า, ยาณัทศนวิเศษได้เล่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมาก สลัดความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆดอกภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเงี่ยโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอน ในไม่นานเทียวจากกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรันทร์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลวอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบราชโกมารภิกษุ ป, ปัญจวคี ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที <re ่สองอย่างเดียวกับครั้งแรกราชกุมารเราได้กล่าวคำนี้กับภิกษุปัญจวคีแม้ครั้งที่สองว่าราชกุมารภิกษุปัญจวคีได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สามราชกุมาร ท่านภิกษุปัญจะวะคีกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวคํานี้กับพวกเธอว่าภิกษุทั้งหลายเธอจําได้หรือคําอย่างนี้นี่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลายในการก่อนแต่นี้บ้างหรือเธอตอบว่าหาไม่ท่านผู้เจริญเรากล่าวอีกว่าภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรูชอบด้วยตนเองพวกเธอจงเงียสลดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเทียวจากกระทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของคลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบราชชโกมารเราได้สามารถเพื่อให้ภิกษุปัญจะวะคีเชื่อแล้วแลราชชโกมารเรากล่าวสอนภิกษุสองรูปอยู่ภิกษุสามรูป เที่ยวบินธบาทเราหกคนด้วยการเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสามรูปนำมาบางคราวเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปอยู่ภิกษุสองรูปเที่ยวบินธบาทเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสองรูปนำมาราชาโกมารครั้งนั้น เมื่อเรากล่าวสอนข้ามสอนภิกษุปัญจะวะคีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เธอกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรร์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้แล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเมื่อเราเกล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุปัญจะวะคีรุด้วยอาการอย่างนี้เธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีการเกิดเป็นธรรมดาอยู่ทั้งที่เป็นผู้มีการเกิดเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็รู้แจ้งแล้ว ซึ่งโทษอันตำสซมในความเป็นผู้มีการเกิดเป็นธรรมดาเธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีการเกิดก็ได้เข้าถึงแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมไม่มีการเกิดเธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็รู้แจ้งชัดแล้วซึ่งโทษอันตำซามในความเป็นผู้มีความชราเป็นธรรมดาเธอสแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัย จากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีความชราก็ได้เข้าถึงแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมไม่มีความชราเธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่ด้วยตน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 จากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมไม่มีความเจ็บไข้เธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็รู้แจ้งชัดแล้วซึ่งโทษอันต่ําซามในความเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาเธอสแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรม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 จากเครื่องผูกรัฐไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมไม่เศร้ามองญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เธอเหล่านั้นว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปภิกษุทั้งหลายตถาคต ผู้อรหันตะสั ม, มาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศอนุตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมลึกเทายวันใกล้นครพาราสีเป็นธรรมจักที่สมณะหรือพรามเทพมารพรมหรือใครใในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ข้อนี้คือ การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้ตื la, ้นซึ่งความจริงอันประเสริฐ4ประการ4ประการได้แก่ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ และความจริงอันประเสริฐคือทางทำผู้ปฏิบัติให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่แปดประการภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตย่อมยังธรรมจัก อันไม่มีจากอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไปเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวันไหวย่อมสันสะเทือนย่อมสันสะทานภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยคำรบกหกแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวงภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตประกาศธรม เมื่อใดตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักเมื่อนั้นในโลกนี้และเทวโลกมารโลกพรห ม, มโลกในโม์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ย่อมเกิดแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าเทวดายิ่งกว่าเทวานุภาพ ของเทวดาในโลการตริกนรกอันเปิดโล่งเป็นนิดแต่เมื่อมิดจนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณมิได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงณที่นั้นแสงสว่างอันยิ่งจนประมาณมิได้ ยิ่งกว่าเทวานุภาพย่อมบังเกิดขึ้นสัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นจะรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าสัตว์อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นอัศจรรย์ครั้งที่สี่ ที่ยังไม่เคยมีได้บังเกิดมีขึ้นเพราะการบังเกิดแห่งตถาคตผู้อรหันตตะสมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากกพัทราชผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมราชาย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียว สักการะธรรมความเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นอิฐมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมในหมูชนในราชสำนักในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออกในหมูพลในพราหม และขะหะบอดีในราชฎรในราษฎรชาวนิคมและชนบทในสมณะและพราหม์ทั้งในเนื้อและนกทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากกักภพราผู้ประกอบในธรรมเป็นธรรมราชาผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าเป็นผู้หมุนจักให้เป็นไปโดยธรรม จากนั้นเป็นจักที่มนุษย์ใดๆผู้เป็นฆาศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบด้วยธรรมอาศัยธรรมอย่างเดียวสาการะธรรม เคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นธงยอดมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการอารักษาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมในหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยการให้โอววาดว่า กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้อย่างนี้ควรประพฤติอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรประพฤติว่าอาชีวะอย่างนี้อย่างนี้ควรดําเนินอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรดําเนินและว่าคำนิคมเช่นนี้เช่ ja นนี้ควรอยู่อาศัย เช่นนี้เช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยดูก่อนภิกษุตถาคตผู้เป็นอรหันตรัสรู้ชอบเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบในธรรมผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าย่อมยังธรรมจักอันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าไปกว่าให้เป็นไปโดยธรรมนั่นเทียวจากนั้น เป็นจากที่สมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ฉนั้นภิกษุทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลเอกย่อมเป็นความปรากฏแห่งดวงตาอันใหญ่หลวงเป็นความปรากฏแห่งความสว่าง อันใหญ่หลวงเป็นความปรากฏแห่งความสุขใสอันใหญ่หลวงเป็นความปรากฏแห่งอนุตตระแห่งอนุตตระเป็นความปรากฏแห่งอนุตรตริยธรรมหกเป็นการเป็นการทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสีเป็นการแทงตลอดอเนกธาต เป็นการแทงตลอดนานาธาเป็นการทำให้แจ้งซึ่งทรมีวิชาและวิมุตเป็นผลเป็นการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลเป็นการทำให้แจ้งซึ่งกัตคาคามิผลเป็นการทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลเป็นการทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล ใครกันเล่าเป็นบุคคลเอตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองนี่แลเป็นบุคคลเอภิกษุทั้งหลายนี่แลความปรากฏแห่งบุคคลเออันเป็นความปรากฏแห่งดวงตาอันใหญ่หลวงเป็นความปรากฏ แห่งความสว่างอันใหญ่หลวงเป็นความปรากฏแห่งความสุขใสอันใหญ่หลวงเป็นความปรากฏแห่งอนุตตรริยธรรมหกเป็นการกระทําให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสีเป็นการแทงตลอดอนเนกท่าเป็นการแทงตลอดนานาท่าเป็นการทําให้แจ้ง ซึ่งทำมีวิชาและวิมุติเป็นผลเป็นการทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพนเป็นการทําให้แจ้งซึ่งกะตาคามิผลเป็นการทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลเป็นการทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลพิษุททั้งหลาย ตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีแต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอด กลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤรือดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ว่าในการใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏ แห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความสองสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นกลางคืนกลางวันย่อมปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนย่อมปรากฏฤ ด, ดูหรือปี ย่อมปรากฏนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นตลอดการเพียงใดที่ตถาคตผู้อรหันตะสมมาสัมพุท ธ, ธยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันเยลวงความสองสว่างอันเยลวง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 การกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอรยิยสัจทั้งสี่ก็ยังไม่มีก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ว่าในการใดแลตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะบังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้น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 ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ซึ่งอริยสัจทั้งสี่เราไหนเล่าคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทา ร, รยาอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจพิกษุททั้งหลายเพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เธอเอวัง เดี๋ยวตั้งใจรับปอนกันทุกคนายุโตพาละโทติโรวันนัโตปาติปานัโตสุขัสสะตาตาเมตตวีสุขังโสอธิขจติ อิกายยัสวาโอติยัตถยาตุปปัชจติติกาเลทัตถิสัพัญญาวัฏฐานยุวิตามัจจาราเวปัสสนนานาตัสสาวิปุลาโอติทักขินาเยตัถอนุโมทันติเวยาวัจจังการุณติวา นาเตนาทาคินาโอนาเตปิปุญญสภากิโนตาสัมมาทัตเถอปติวานาจิตโตยถาตินังมหพบาลังปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินันติ